ชั่วไม่นานคริสติน่าก็หันกลับมาทางเขาชูวิทยุที่ค้นพบให้เขาดูร้องลงมาว่านี่ไงระพินได้แลกดีมากครับลงมาดีๆนะคริสอย่าลงมาแบบผมนะเพราะผมช่วยคนลูกสบ้าเคลื่อนอย่างคุณไม่เป็นมันออกจะเป็นวิธีที่ทารุณเกินไปหน่อยแล้วผมก็ไม่อยากจะทําแบบนั้นด้วยคริสติน่าหัวเราะมีอาการเหมือนจะคลอนแล้วหันหลังไตกลับลงมา ให้่วคล่องว่องไวพอๆกระขาขึ้นก่อนลงมาถึงเขาโอบเอวรับไว้ร่างส่วนหลังของหล่อนแนบอยู่กับอกเขาอีกครั้งหล่อนเอียงหน้าช้ำเลืองอย่าแย่เสือหลับสิคุณเมื่อกี้นี้ก่อนที่จะถูกปลุกขึ้นมาด้วยเสียงปืนเสือนั่นหลับอยู่ในอ้อมแขนผมนะครับแม่ผมทองถอนใจ สะกดกั้นความรู้สึกภายในบางสิ่งบางอย่างเอาไว้และหมุนตัวกลับมาส่งวิทยุคืนให้เขาด้วยอาการปกติระพินรับมาพร้อมกับกล่าวขอบคุณเบาๆกดคีทดลองเรียกกลับไปยังพักพวกขณะนี้ผมค้นพบวิทยุประจำตัวแล้วนะครับเป็นไงรับฟังชัดเจนแค่ไหนครับชัดเจนดีมากอะว่าไง จะมีการเคลื่อนไหวกันยังไงต่อไปล่ะเนี่ยดรสเตอรีตอบมาด้วยน้ำเสียงร้อนใจดครครับผมกับคริสจะออกจากเนอนนี่เดินค้นหาบุญคำนะครับถ้าแน่ใจว่าพายุทางด้านฝ่ายคุณสงบลงพอปลอดภัยแล้วก็ขอให้ทุกคนออกมาสมทบได้เลยครับตกลงับพินเรากำลังจะเดินออกจากโดงนี้เดี๋ยวนี้เหมือนกัน ระพินหันมาทางคริสติน่าพยักหน้าเป็นความหมายให้ออกจากกลุ่มโขดหินริมเนินเพื่อตัดออกทางทุ่งตำแหน่งที่บุญคำสูญหายไปตลอนฉุดแขนเขาไว้ก่อนถามด้วยน้ำเสียงเป็นงานเป็นการขึ้นนี่คุณเดี๋ยวสิอตอนที่คุณตกลงมานอนเข่าหลุดอยู่นะ่ะคุณสัง่งให้ฉันลากเข้าไปตรงโพรงที่เราเข้าไปหลบอยู่แล้วคุณรู้ได้ไง ว่ามันมีโพรงลักษณะเหมือนปากถ้ำอยู่ตรงนั้นนะก็ก่อนที่ผมจะเดินขึ้นไปบนไหลเนินผมก็ได้สำรวจบริเวณเชิงเนินแล้วก็พบโพรงอันเป็นทางเข้านะ่ะไว้ก่อนแล้วไงคุณตอนฉุกเฉินที่คุณวิ่งเข้ามาถึงนะ่ะผมถึงบอกได้ว่าเราควรจะเข้าไปหลบอยู่ตรงไหนหล่อนพยักหน้าฉันรู้สึกว่ามันมีความหมายอะไรมากทีเดียวสำหรับเนินแห่งนี้ เมื่อเห็นคุณมุ่งลิว้วนำหน้ามาก่อนคนเดียวโดยไม่รอใครรวมทั้งปากโรงที่เราเข้าไปอาศัยหลบอยู่ด้วยคุณพอจะบอกความจริงให้ฉันรู้ได้หรือยังว่ามันมีอะไรน่าสนใจนะักเอาไปว่าค้นหาบุญคำให้พบสักก่อนแล้วให้พวกเรามาถึงพร้อมๆกันผมจะบอกให้ทราบว่ามันมีความหมายหรือจุดน่าสนใจยังไงอตอนนี้เราไปช่วยกันดูบุญคาก่อนเถอะแกยิงปืนข่มอาถรรพ์ ขับไล่าพายุร้ายออกไปได้แต่ไม่รู้ตอนนี้ตัวแกเองไปอยู่เส้นที่ไหนทำไมถึงไม่โผล่ไม่เห็นวิทยุเรียกก็ไม่มีเสียงตอบมันน่าจะเกิดอะไรขึ้นสักอย่างที่แกกําลังรอความช่วยเหลือจากเราแล้วก็ต้องเร็วที่สุดด้วยทั้งคู่โดยการนําของระพินเดินออกจากบริเวณพงหินเล็กๆ เ, เชิงเนินออกไปสู่กลางทุ่งโล่งที่เคยผ่านกันมาแล้วในทันทีนั้น กระแสะลมลดลงมากแล้วและเป็นการผ่อนคลายความรุนแรงลงอย่างเชียบพลันรวดเร็วแทบจะเท่าเท่ากับขามาของมันสำหรับความคิดของรพินในยามนี้เขายังไม่แน่ใจนะักว่ามันจะสลายตัวลงไปเพราะอำนาจข่มอาถรรพ์ของเสียงปืนที่บุญคำยิงสูนขึ้นไปบนท้องฟ้าหรือว่ามันได้หยุดตวัวเคลื่อนย้ายไปยังทิศตะวันตกซึ่งห่างออกไปทางทิวเขาที่เขาแลเห็น เทียมเมฆดำทัมินอยู่คริสติน่าสาวเท้าตามหลังมาติดๆอย่างไม่ยอมไม่เข้าห่างออกไปได้อ้าคุณลองชีดตาแหน่งสิคุณต้องจำได้ดีละ่ะว่าระหว่างที่คุณพละอยากไปทิ้งบุญคำไว้ข้างหลังน่ะมันควรจะอยู่บริเวณไหนระพินหันมาควา้าต้นแขนคริสติน่าไว้ระหว่างเดินไปด้วยกันอย่างเร่งรีบ แม่นักเคมีฟิสิกส์สาวพยายามกวาดสายตาไปรอบแนวทุ่งหญ้าแห้งในรัศมีเพียงแค่มุมทาง45องศาเบื้องหนะ้าแล้วชี้มือฉันว่าน่าจะเป็นตรงนั้นนะบริเวณที่มีก้อนหินใหญ่โผล่อยู่โดดเดียวกลางทุ่งแหละฉันเริ่มออกวิ่งก่อนจะผ่านก้อนหินนั้นประมาณ30หลาแล้วก็รู้สึกว่าเกตะโกนเรียกแล้วก็พยายามวิ่งไล่ตาม แต่ฉันไม่ได้เหลียวหลังไปดูอีกเลยจอมพรานขมิดมองระยะมันห่างออกไปไม่เกินร้อยห้าสิบเมตรเท่านั้นเขารีบจำ้ำอ้าวตรงเข้าไปทันทีในขณะที่คริสติน่าก็วิ่งเหาะเยอะตามหลังขณะนี้มักคุเทศใหญ่แทบจะไม่เหลือร่องรอยของอาการเข่าขวาที่เคยพิการเลยเขายัางเดินได้รวดเร็วเกือบเหมือนเดิมจนหล่อนต้องร้องมาว่าร้อหนห่อยสิรอมัง่ง เล่นเดินแบบติดเครื่องเจ็ตอีกแล้วคุณอ่ะคุณน่ะขายาวเกือบเท่าเท่ากับผมซ้ำยังแข็งแรงกว่าผมในขณะนี้ด้วยอย่าโมยึกยักอยู่เลยคุณบุญคำน่ะอาจกำลังรอความช่วยเหลือจากพวกเราอยู่ก็ได้ผมว่ามันต้องเกิดอะไรขึ้นสักอย่างก็แกแน่อ่ะไม่งั้นแกต้องโผล่ไม้เห็นแล้วล่ะเขาพูดโดยเร็วแทบจะลากรอนให้ปลิวตามอะพร้อมกันก็ใช้มืออีกข้างนึงป้องปากตะโกนวู๊ เป็นสัญญาณเรียบไม่มีเสียงใดาจากพรานเท่าสมุนขวาของเขาตอบมาเลยและระยะค่อนข้างไกลเช่นนี้แม้จะตะโกนกูให้ดังสักเท่าไหร่ระพินก็เพิ่งจะรู้ว่าอะไรผมเพราะสังเกตจากผงคลีกะกองหญ้าแห้งที่พัดสวนหน้าเข้ามาเป็นระยะระยะแม้จะเป็นการกลิ้งมาอย่างช้าๆมันก็แสดงให้ทราบว่าทางด้านเขาที่กาลังเดินตรงเข้าไปนั้น มันอยู่ใต้ลมเสียงอูย่อมจะสวนทางลมเข้าไปยังตำแหน่งที่คริสชี้บอกไม่ได้แน่อีกประมาณ2ี่สิบเมตรอันมองเห็นก้อนหินลักษณะประหลาดที่มีอยู่เพียงก้อนเดียวกลางทุ่งตั้งเด่นอยู่กลางหมู่หญ้าสีน้ำตาลแห้งระพินตะโกนเรียกขึ้นอีกครั้งหนึ่ง บุญคำหูหูนายคราวนี้เสียงชัดเจนดังอยู่ไม่ไกลมันดังออกมาจากอีกฝั่งของหินก้อนนั้นเสียงแก่โหราวก่อินเดียนแดงพร้อมกับตะโกนมาช่วยด้วยนาย ช่วยเร็ ว, รวบุญคำจะถูกขินทับแบนแต้แต่อยู่ในรูหมาไรนี่เร็ ว, เ ร, วเร็วเขาเโดยไม่ต้องบอกต้องเตือนกันเลยทั้งรพินและคริสติน่าพากันวิ่งตรงเข้าไปในหินที่มีลักษณะเกือบจะกลมน้ำหนักประมาณสตันก้อนนั้นทันทีพออ้อมมายังด้านตรงข้ามกบที่วิ่งเข้ามา ทั้งสองก็มองหินตาเท่าล่อหน้าบ้องแบลวออกมาจากใต้แผ่นดินริมฐานหินที่มีลักษณะเหมือนบททับอยู่ปากกระบอกไรเฟิลจุด3 7หของแกโผล่ยื่นออกมาเพียงแค่ครึ่งของกระโจมมือและแกว่งไปมาอยู่ไหวๆเหมือนจะเป็นสัญญาในเขาเห็นทั้งสองรวดเข้าไปยังตำแหน่งนั้นโดยเร็วบุญข้ามอลิสิน่าร้องดังลั่นอย่างดีใจระคนตกใจขีดสุด พระไทยสถานาการณ์ไม่ถูกส่วนรับพินะ ย, ยิม้มออกละเขาซุดตัวลงนั่งใกล้ๆปากกระบอกปืนของแกรางหัวเราะกึกกึกอยู่ในลำคอ <c oughs> เป็นไงเรามุดลงไปไตหินนี่ไงที่มุดดันมุดเราไม่ได้ที่จะออกมาดันออกไม่ได้เห็นหน้าปอรออย่นี้ <c oughs> โทนายโทมัวจะนั่งหัวเราะอยู่ได้ เคยบุนคำแล้วพื้นตอนนี้น่ะมันอ่อนเนี่ยไอหินเวนี่มันก็เคยตกต่ำลงมาทุกทีแล้วทีแรกก็โผล่ไปได้แค่ค อ, อนายตไตไลออกไม่ได้ตะกี้นี้มันซุดลงมาอีกหัวก็โผล่ไปไม่ได้แค่ล่อหน้าไปได้แค่นี้ออนายเสียงบุญคําลั่นขระมงโฉงเฉงพร้อมทั้งสะบดอะไรฟังไม่ได้สับไปหมดรพระบินหัวเราะขำๆบัดนี้เขาโล่งใจได้แล้ว ไม่อนาทรรีพร้อนอะไรอีกเลยแต่คริสติน่ายังอยู่ในภาวระรหนกซึดตัวลงคุกเขา่าเอื้อมมือลงไปลูบคลาอยู่ที่ใบหน้าแกแล้วพยายามควานหาเนื้อที่ภายในปากก็บอกระล่ำระลักว่าบุญคำเป็นใครมั่งบุญคำร่างกายส่วนไหนถูกทักอยู่มั่งหรือเปล่าในโพรงแคบขนาดหนึ่งตารางฟุตเห็นแกแยกเขี้ยวอยู่ในนั้น เหมือนหนูที่กำลังโกรธอยู่ในรูต่อว่าขึ้นมาว่าแม่มก็เล่นทิ้งบุญค้ำไว้ไม่รอมั่งเลยใจดำบันไลคิดแต่จะแล่นไปหานายราพินแต่ไม่หันมาดูไอ้ํำ ม, มั่งเลยรู้ ง, งี้พัดไม่ตามหลังไม่เสิวเวลาอ๋อนี่รอตัวไปได้เหรอโฉดีนะนึกว่าลมหอบขึ้นสวรรไปซะแล้วคริสติน่าขยับจะอ้าปากพูดอะไร ก, ก็ไอี แต่ระพินเหนี่ยวไหลไว้ดึงให้ถอยห่างออกมาตัวเขาเองเอื้อมมือไปรับปลายลำกล้องไรเฟิลของบุญคำที่ชี้โผลโออกมาแล้วสาวขึ้นมาทางกระบอกซึ่งแกก็ผลักส่งขึ้นมาให้ก่อนโดยดีพร้อมกับล่อมือโผล่มาแค่ข้อศอกระพินจับมือแกไว้แล้วบีบเขย่าเบาๆแบบเช็คแฮนพร้อมกับหัวเราะไปพลางอะไรกันนี่ บุญคำลงไปจมดินแต่อยู่ในนี้ได้ยังไงและนี่ขาด้วยลำตัวท่อนล่างของแกนะี่มีถูกขีนบททับไปแล้วเลยระพินคริสติน่าพูดโดยอาการสำลักระพินเอาแขนข้างหนึ่งกันอเมริกันสาวให้ถอยห่างปากโพรงออกไปกันแม่เข้าไปเหยียบยืนอยู่ใก ล, กล้ๆแล้วบอกว่าสบายใจได้แล้วนะครับคริสบุญคำไม่เป็นไรมากหรอกไอช่องที่จะมุดลงไปนะ่ะ อาจจะเป็นช่องที่หมาในมันมาขุดหาสัตว์อะไรบางชนิดแล้วก็เป็นโพรงเล็กๆอยู่ใต้ก้อนหินนี่ตอนที่คุณแผะวิ่งทิ้งแกไปคงจะเป็นเวลาที่พายุแรงมากอะ่ะแกเห็นจะไปไม่ไหวก็เลยหลบลงรูกลายเป็นตัวตุ่นไปชั่วคราวไม่ยงนั้นแกก็ถูกลมหอบไปแล้วทีนี้ตอนที่แกลงไปอยู่ในรูเพื่อหลบลมนะ่ะพายุก็พัดอก้อนหินนี่มันเคลื่อนเข้ามาเบียดติดปากช่องทางนี่ทําให้แกโผล่กลับออกมาไม่ได้ โชคดีนะที่มันยังไม่เคลื่อนเข้ามาปิดทับรูซะอย่างสนิทไม่ย่งั้นแกอาจไม่มีอากาศหายใจไปแล้วมันเพียงเคลื่อนมาบังไว้ครึ่งเดียวเท่านั้นแต่รู้สึกว่าดินตรงนี้มันจะยุ่ยอ่อนมากแล้วมันกําลังจะทําให้หินถล่มจมลงไปทุกทีเดี๋ยวถ้ามันจมลงไปมากกว่านี้บุญคำก็จะลําบากหน่อยแล้วตายแล้วคุณแล้วเราจะช่วยแกออกมาได้ยังไงอะ่ะโดยพวกเราทั้งหมดช่วยกันผลักก้อนหินมันก็คงไม่เคยยื่นไปได้อะ่ะ คริสติน่าอุทานเสียงสั่นเอามือลูบอกจ้องไปที่ใบหน้าขมุกขอมอมของตาคําที่มองเห็นอยู่ในช่องรูใต้ฐ า, านหินนั่นจอมพรานไม่ตอบคำถามอะไรให้เสียเวลายกพิทยุในมือขึ้นทันทีเรียกไปยังพักพวกที่ยังอยู่ในดงพอได้ยินเสียงตอบรับมาเขาก็ถามไปว่าพวกเรามีพั้วสนามชนิดพับได้ติดตัวกันด้วยไม่ใช่เหรอครับถ้าที่ผมจาได้ ใช่ใช่เรามีอยู่สองอันมีไรเหรอรพินเสียงต่อมาเป็นเสียงของครีดทั้งนั้นก็ขอความการุณาเร็วหน่อยครับทุกคนขอให้ออกจากโดงตรงมาที่ทุ่งนี่เ พ, พราะโผล่พ้นจากขอบโดงก็จะมองเห็นผมกับคริสเองอ่ะขอให้มาด่วนที่สุดนะครับตอนนี้บุญคําติดอยู่ในรูหมาในที่เข้าไปหลบซ่อนอยู่บังเอิญว่าลมมันแรงพัดหินให้เคลื่อนขยับมาปิดปากทางไว้ ขาลงก็ลงไปได้แต่ขาขึ้นติดอยู่แค่คอโผล่ไม่ได้เพราะหินมันปิดทางเราจะต้องขุดขยายพื้นบริเวณด้านล่างเพื่อเปิดทางให้แกคานออกมาได้ครับเสียงเอะอะของพรรคพวกฝ่ายโน้นแท่มาอีกอย่างตกใจแล้วแล้วบุญคําได้รับอันตรายอะไรหรือเปล่าอย่างหรอครับตอนนี้ยังไม่มีอันตรายอะไรครับกระปินตอบผัวหน้าคณะไปเรียบเรียบแต่ถ้าช้ากว่านี้ หินมันอาจจะกดตัวลงต่ําปิดปากช่องทางลงมาเรื่อยๆพื้นที่ภายในที่แกลงไปหลบอยู่มันก็มีเนื้อที่จํากัดแกอาจจะถูกทับหายใจไม่ออกเพราะฉะนั้นขอความกล้าเร็วหน่อยแล้วกันสั่งจันทร์กับพวกลูกหาบของผมตัดไม้เสี้ยมปลายแหลมแทนเสียมหลายๆอันจะได้เอามาช่วยกันขุดเสาะดินด้วยมันเป็นดินปนทรายร่วนมากคงขุดไม่ยากนักที่จะช่วยเปิดทางให้แกเอาอ่ะก็พยายามช่วยฮะ ช่วยแกไว้ก่อนแล้วกันพวกเราจะไปเดี๋ยวนี้แหละเสียงสตลลีบอกมาอย่างเร็วปรืนกระพินส่งกระติกน้ำของเขาไปให้แกแล้วก็นั่งคุยด้วยยิ้มยิ้มราวกับไม่เกิดอะไรขึ้นเลยในขณะที่บุญคำก็บงเบงลั่นอยู่ในรูของหมาในนี่ส ง, งบปากคำใช่ไหมาตาคำตาปากตั้งแย่อยู่เงี้ยเดี๋ยวหินมันก็โกรธมาบนหัวนี่มันก็จะถล่มคลื่นลงมา แล้วก็คงจะต้องกลายเป็นตัวตุ่นอยู่ในรูนี่อีกนานอะ่ะวิ่งไงถึงตามแม่ไม่ทันฮะบุญคำผู้กำลังเอามือของแกค่อยๆตะกุยดินด้านล่างอยู่ชูกำปั้นระขึ้นมาฮึมแม่มนัแ่แม่ถือว่าสาวกว่าเรียวแรงมากกว่าหรือยังไงถึงได้วิ่งโดยไม่รอทึงจะทำไปเลยฝรั่งมันเป็นซะอย่างงี้แหละแต่เป็นนายหญิงของบุญคำแล้วก็ ถึงไอ้คำจะวิ่งงุ่มงามอยู่ข้างหลังจ้างนายหญิงก็ไม่ทิ้งคนแกแ่หรอกคงจะทิ้งคงจะหิวไอ้คำไปด้วยแหละนี่คิดแต่จะช่วยพระเอกคนเดียวพระร้องไม่ยอมช่วยด้วยเลยคริสติน่าผู้ขณะนี้กําลังสุดตัวลงนอนพังภาพดูแกอยู่ตกกาปั้นเพียร้องตอบลงไปว่าเอาก็ตาแกอยากมัวงุ่ม ง, ง่ามอยู่ทำไมนี่อะร้านมือขวาของดิพิน แบบนี้จะมีน้ำยาอะไรมาช่วยฉันได้แล้วก็กล้าท้าพนันเลยจะเป็นนายหญิงของบุญคำน่ะเหรอลองเห็นเจ้านายบุญคําหงายหลังร่วงลงมาจากเนินแบบนั้นจ้างให้นายนหญิงก็ไม่หันมาดูบุญคํามำเสียเวลารอกเขาจะวิ่งไปช่วยแฟนขเขาก่อนแล้วก็มาช่วยฝังศพบุญคํำที่หลังอ่ะโดนย้อนก็แบบนี้ต่คาเลยนิ่งเงียบอยู่ในรูที่แกลงไปหลบซ่อนนั่น มีแต่เสียงบ่นงึมงำงึมงำแล้วโกยดินปนทรายพรวดขึ้นมาจนเปรอะเลอะหน้าและเส้นผมคริสติน่าไปหมดร่อนร้องอะไรออกมาคำหนึ่งอย่างโมโหแต่ก็ ย, ยังอดหัวเราะไม่ได้ที่เห็นสภาพของแกซึ่งติดอยู่ในลักษณะที่ไม่คาดฝันนั่นจะรับขันวิกฤตเช่นไรก็ตามบุญคำก็สามารถเอาตัวให้รอดไว้ก่อนได้เสมอหล่อนต่างหากล่ะที่เสียงวิ่งตามหลังระพินเข้าไป มีโอกาสที่จะถูกพายุหอบหายขึ้นไปบนอากาศและได้รับอันตรายมากกว่าตัวแกซะอีกนี่วิทยุไปอยู่ซะที่ไหนแล้วรักคำระพินถามลงไปไม่รู้สิหายไปแล้วอีตอนที่ลมมันพัดกลิ้งไ่ลูกขนุนเนะี่ยพอได้ยินดังนั้นคริสติน่าก็ลุกขึ้นถอยห่างมาทันที พร้อมกวกดคีย์พิเศษจากวิทยุในมือของหลอนขึ้นเดินย้อนหลังไปอีกประมาณ 7-8 เมตรชั่วไม่นานก็ปรากฏว่ามีเสียงร้องตอบเสียงของ อ, อดจากวิทยุของบุญคำที่หล่นอยู่กับพื้นในกอหญ้าแห้งห่างออกไปราวๆว10เมตรคริสติน่าแล่นไปคว้าเก็บขึ้นมาทันทีแล้ววิ่งกลับมาที่เก่าร้องบอกอย่างดีใจว่าเก็บได้แล้วละ่ะอยู่ตรงโน้น ตกอยู่ในกอหญ้าตรงที่บุญคำล้มกลิ้งนั่นแหละกระพินพยักหน้าไม่สนใจอะไรนะักเพราะรู้อยู่แล้วว่าถึงยังไงเสียคริสตินาก็ต้องค้นหาวิทยุของบุญคำพบอยู่วันยังคำ่ำสภาพที่เห็นอยู่ในขณะ น, นี้เขาไม่มีความวิตกอะไรทั้งสิ้นภายหลังจากพิจารณาสิ่งแวดล้อมใกล้ๆสถานที่ตอ ห, หินกดจมลงม า, มากกว่านี้โดยปิดทางแม่กรโลกมาได้และไม่มีใครมาเห็นทางการ บุญคำก็ต้องขุดดินมุดโผล่มาพ้นจากบริเวณหินทับก้อนนั้นได้เองอยู่วันยังคำ่ำเพราะอาณาบริเวณของหินก้อนนั้นมันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรนักซ้ําดินตำแหน่งนั้นยังร่วนซุยมากเพียงแต่ว่าถ้ามีพักพวกช่วยขุดเปิดทางให้จากด้านนอกก็จะช่วยให้แกออกมาพ้นช่องที่ลงไปตกอยู่ได้เร็วขึ้นเท่านั้นเจะว่าอันที่จริงแล้ว ตัวแกก็ดูเหมือนจะแสวงหาที่ปลอดภัยจากพายุร้ายได้ดีกว่าทุกคนด้วยซ้ำไปและที่แกยิงปืนขึ้นเมื่อสักครู่ใหญ่ๆนี่เขาก็แน่ใจว่าแกยิงเพื่อขับไล่อัรรั์และบอกเตือนนักพวกรู้ด้วยว่าแกในยังมีชีวิตอยู่ตรงนี้เสียมากกว่าอย่างอื่นสภาพของแกตอนนี้อาจจะดูน่ากลัวน่าเป็นห่วงสาหรับสายตาอื่นๆแต่สาหรับคนคุ้นเคยแล้วก็ชินเล่กันดีอยู่แล้วอย่างเขา ย่อมตามทันเสมอเพียงแต่ไม่พูดออกมาเท่านั้นอย่างตาคำเนี่เหรออย่าว่าแต่ก้อนหินขนาดนี้มาปิดปากรูที่แกลงไปนอนหลบอยู่เลยขนาดพระตกเขียวตกลงไปอยู่ก้นบาดาลก็ยังงมหาทางออกมาจนได้คนยังบุญคําถ้าจะถึงวาระสุดท้ายก็คงจะเป็นวาระสุดท้ายบนอกของสาวสาวชาวป่าหรือมียสาวจํานวนมากของแกที่หนองน้ําแห้งซะมากกว่า ไอเรื่องตายประภัยจากป่านะเป็นไม่ต้องพูดถึงการเอาตัวรอดของแกเป็นวิชาและความสามารถเฉพาะตัวที่เขารู้มานานแล้วซ้ำยังวิทยาอาคมพอตัวแทบจะเรียกได้ว่าตามหลังเข้ามาติดๆแม้จะหนักไปทางด้านดรีรชานวิชาก็ตามตัวเขาเองจชซ้ำไปเมื่อสักครู่ใหญ่ๆนี่ยังเก็บจนได้ ซ้ำยังเต็มไปด้วยโรคาพยาธิเกาะกินเป็นอุปสรรคอยู่เป็นระยะระยะตาคำนกระดูกแข็งจะยิ่งกว่าเหล็กร้อยวันพันปีไม่เคยเป็นอะไรนอกจากนานๆจะท้องร่วงสักทีเท่านั้นลักษณะอันเป็นอาการใจเย็นของระพินคริสติน่ามองมาอย่างไม่เข้าใจเพราะหลอนรุ่มร้อนกังวลยิ่งในสภาพที่มาพบเห็นตาพรานเท่าซึ่งหลอนพิจารณาว่าอยู่ในข่ายวิกฤตนั้น นายนายสบายดีเลยแล้วคนอื่นๆล่ะในที่สุดแกก็ส่งเสียงถามขึ้นมาด้วยเสียงปะกะติของแกเออทุกคนย่ำแย่ทั้งนั้นแหละมีแต่บุญคํำคนเดียวเท่านั้นแหละที่สบายกว่าเพื่อนลงมานอนสบายใจเฉบในรูหมาในเจอเจ้านายที่รู้ทันมาบอกเช่นนั้นแกก็เลยหลบลงรูเหมือนตัวตนไปจริงๆ แล้วก็เลยมีอาการเหมือนอยากจะนอนหลับอยู่ในนั้นโดยไม่ยอมโผล่มาอีกชั่วไม่นานกลุ่มนายจ้างอเมริกันส่วนใหญ่การพื้นเมืองทั้งสามและพวกลูกหักทั้งหลายก็ปรากฏตัวมาจากโดงทึบริมทางคนเหล่านั้นพากันตรงรีเข้ามาอย่างรวดเร็วระยะมันไม่ห่างออกไปเท่าไหรนะ่นักเสียงเบมวิทยุถามล่วงหน้าขึ้นมาก่อนว่า ระพินบุญคำบาดเจ็บมากไหมผมอยากให้คุณดูแลบาดแผลหัวแตกของพระโตให้ดีที่สุดควรจะฉียา ก, กันบาด ท, ทะยักให้ด้วยนะส่วนตาเท้านี่ดำดินหายไปแล้วเสียดายที่ไม่มีน้ำไมยงั้นผมจะเอาน้ำเทกรออกไม่แก่กสำลักจะได้ขุดรูหนีออกมาทางอื่นเหมือนตัวแยะระพินตอบเบนออกไปเป็นภาษาไทยเพื่บุญคำซึ่งมุดรูหด หน้าหายก็ไปได้ยินด้วยพอได้ยินดังนั้นหน้าดำๆของแกก็ลอบรัวจะมาอีกร้องลั่นอ้าวนายกูไหนพูดเรียงงานละ่ะเห็นไอ้คำมันแย่ไปซะแล้วเหรอหนานไปไหนก็ไปเอ่อไอ้คำขอตายคาร้อยู่ตรงนี้แหละระพินแยกเขี้ยวเอื้อมมือมาจะขีดจมูกแบนๆของแกแต่ตาท่าโหดหน้าหนีซะทัน เขาจึงพูดลอดไรฟันออกมาว่าไปตายคารูหลังเสร็จงานแล้วเข้าใจไม่ใช่มาชฉวยโอกาสทำเป็นตายอยู่ในรูนี้น้ำใจอยาจะทิ้งกันนึงไงฉันรู้หรอกนะว่าบุญคำน่ะคิดถึงบรรดาม เ, มเมียๆเต็มทีแล้วอยากจะหนีกลับอยู่วันละสิบหน ฮ, ฮหนี่ใครก็บ้าเกียรติยศเกียรติศักดิ์บักสีเดือเหมือนนายหรอก ขนาดแฟนแสนรักแสนสวยแสนดีก็ยังอุตส่าห์หนีมาได้สงสัยว่าจะมีห็นแม่มขนทองหน้ารองกว่าละมัง้งเห็นสวรรค์มันกระจ้ะแล้วยังตะกี้เนะี่ยโชคดีที่คำพูดของแกคริสติน่าไม่ได้ยินเพราะมัวพูดวิทยุเร่งพักพวกอยู่ระพินเอาเท้าถีบยันก็ไปที่ปากรูคำรามเงมาว่า ปากชั่วชั่วอย่างนี้เดี๋ยวพัดเอาระเบิดยัดเข้าไปในรูซะนี่เลยอิตะคัมแล้วคณะพักทุกคนก็มาถึงพร้อมกับเครื่องมือกู้ชีวิตเชิดบุตรคีตเบลสแตลีและพวกลูกหาบทุกคนพอมองเห็นสภาพที่ติดอยู่ในรูดินและมีหินทับปากทางขึ้นอยู่ข้างบนเช่นนั้นทั้งหมดก็นโนกตกใจกันไปหมดตรงข้ามกัจจันทร์สื เล็กเกดพอเข้ามาสำรวจรอบๆก้อนหินนั่นแล้วเจ้าสามตัวนั่งก็หัวรอกักกแต่ไม่พูดอะไรออกมาและแทนที่จะโรงเข้าช่วยหรือปฏิบัติการใดๆลงไปก่อนกลับหันมาพิจารณาสอบถามพรานใหญ่กระแมมคริสและแทนที่ระพินจะเป็นฝ่ายสั่งการอย่างใดกลับกลายเป็นสแตนลีที่เร่งบงการทันทีให้จันเสยเกิดและพวกลูกหาบที่เตรียมไม้เสียมมาด้วยระดมแรงกัน ช่วยขุดดินโดยรอบให้เกิดเป็นหลุมขึ้นเพื่อเปิดทางให้ตาเท่าเจ้าเล่สามารถเอาตัวรอดออกมาได้ดินร่วนซุยมากอยู่ล้วแค่ไม่นานระหว่างที่ระพินและคริสพูดอยู่กับพวกที่แยกกันออกไปในระหว่างเกิดพายุหลุมที่เปิดออกไปก็กว้างพอที่จะเป็นช่องให้บุญคําเอาตัวออกมาได้คีกระเชิดบุตรผู้จัดว่าตัวใหญ่และแข็งแรงที่สุดในคณะ ช่วยกันจับแขนแกคนละข้างกระชากพรวดหลุดพ้นจากรูดินในลักษณะชอนทะแยงไปกับพื้นราบลอยขึ้นมาจากใต้แผ่นดินได้ตัวแกเปรอะดินมอมแมมไปหมดทั้งหัวหูพอหลุดพ้นขึ้นมาได้ก็ทำกิริยาหมดแรงส่วนเซเหมือนจะลม้มลงจันผู้ยืนอยู่ใกล้หลบฉากฤตินาพาซื้อเพราะรู้ไม่ทันมารยาถันหลันเข้ามาอบแขนประคองไว้ แต่ก็เลยกอดแม่มสะเต็มรักโอ้พระเจ้าบุญคำรอดตายแล้วแกกรวนคลางขึ้นด้วยเสียงน่าสงสารคริสติน่ากอดตอบแน่นอย่างดีใจแล้วค่อยๆพยุงให้นั่งลงเบนก็เข้ามาขนาบข้างแต่เท่าเจ้าอุบายก็เลยเอ็นตายไปซบเอาแม่ผมแดงอีกคนแล้วก็เลยนอนหนุนตักไปเลยทุกคนเข้าไปรุมล้อมแกยกเว้นระพิน ผู้ยืนเกาหัวแกรกแกกและเจ้าพรานลูกน้องสามคนที่พากันจุปากลั่นแล้วโคลงหัวกันอยู่ดิดดีเมื่อสถานการณ์พากันมองเห็นอยู่โดยทั่วไปแล้วว่าต่างช่วยบุญคำออกมาได้สำเร็จฝ่ายนายจ้างทุกคนก็ปราดเข้าปาหาระพินและสอบซักถามถึงเหตุการณ์กันแทก โดยปล่อยหน้าที่ดูแลปฐมพยาบาลตาเท่าให้แกสองสาวประจำคณะซึ่งขณะนี้กำลังช่วยกันคนละไม้คนละมือทั้งตรวจสภาพร่างกายและทั้งช่วยในด้านยาดมระพินเองก็มองตรวจสอบไปทั่วทุกคนเห็นอยู่ในสภาพปกติเรียบร้อยดีจึงถอนใจออกมาอย่างโล่ง อ, อกนอกจากพระโต้เพียงคนเดียวเท่านั้นที่มีรอยพลาสเตอร์ติดอยู่บนกระบาลเหนือหน้าผากขึ้นไปเล็กน้อย เขาตรงเข้าไปที่เจ้านั่นก่อนสอบถามอาการมันเจ้า ก, กระเหรี่ยงตะเคียนทองยิ้มแ ย, แย่ๆยกมือคลำหัวปอยปอยแล้วบอกมาเบาๆว่าไม่เป็นไรมากหรอกนายแมมผมแดงทําแผลฉีดย้ายแล้วละ่ะเมื่อนั้นระพินจึงหันกลับมายังคณะนายจ้างทุกคนอีกครั้งเรื่องพายุไฟป่าแล้วก็น้ำป่าในนรกดำนี่ มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราต้องเตรียมตัวพร้อมไว้เสมอผมยินดีที่พวกเราทุกคนไม่มีใครเป็นอะไรกันมากนอกจากวุ่นวายกุลาหนบ้างนิดหน่อยแล้วก็ขอขอบคุณที่ทุกคนปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดจึงทำให้ช่วยรอดตัวกันไปได้นิรพินตอนนั้นเราเห็นคุณปีนขึ้นไปอยู่บนไหลเนินก่อนที่พายุหมุนมันจะมา แล้วคุณก็มุ่งตรงไปที่นั่นอย่างเร่งร้อนมากโดยไม่หยุดรอหรือให้เหตุผลอะไรกับเราเลยสแตนลีย์พูดกึ่งคำถามจ้องหน้าขม็งเอาละครับเดี๋ยวเราก็จะไปที่เนินลูกนั้นพร้อมกันอีกผมมีข่าวดีครับแต่จะยังไม่บอกเดี๋ยวนี้แหะแต่จะให้ไปถึงแล้วก็ไปเห็นกันสัก่อนเลยกล่าวกับหัวหน้ า, นาคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์เช่นนั้นแล้ว ราพินก็หันไปสอบถามกับพวกครานพื้นเมืองและลูกหาบทุกคนอยู่อึดใจจากนั้นก็ก้าวเท้าพรวดพรวดเข้ามายัางร่างอันยังนอนหายเหยียดยาวเอาต้นคอพิงตักนุ่มของอิสเบลอยู่เดคริสติน่าเป็นคนเอาแอมโมเนียค่อยๆล้นปัดไปมาประครบประงมให้อย่างเป็นห่วงบุญคำหลับตาพริ้มหายใจระรวยระว ย, วยเหมือนคนใกล้จะตายนี่ะค้ลุกขึ้น ระพินออกคำสั่งห้วนห้วนบุญคำยังนอนนิ่งทั้งเบนและคริสติน่าเงยหน้าขึ้นอะไรกันระพินก็กแกนอนพักก่อนีิบุญคำน่ะสะบักสะ บ, บอมจะแย่อยู่แล้วนะคุณเบนเป็นคนบอกมาจอมพลไม่สนใจกับอาการของสองสาวเปิดฝากระติกน้ำออกบอกเฉียบขาดมาว่านี่ตะคำฉันจะนับหนึ่งถึงสาม ถ้ายังทำสำออยหลับตาเหมือนคนจะตายนอนหนุนตักแหม่มอย่างเงี้ยฉันจะราดน้ำลงไปบนกระ บ, บาลในบุกกระติกนี่เลยลองดูอ่ะว่าแล้วเระผินก็หยุดน้ำจำนวนหนึ่งประมาณสองซีซีลงไปบนหน้าของแกแต่พรานเท่าเจ้าเล่รีพวดพร่าดิม น, นั่งทันทีทำเป็นสะบัดหน้าเราเราและรอบค้อนเจ้านายประหลับประเลือกพูดอุบอออกมาด้วยภาษาเกเรียง นายเก่าล้วโหชิบนายเลยจะขอนอนปักนิ่มๆบึบบับบึบบับขอให้มันกระชุ่มกระชวยใจสั ก, กนิดนึงก็มาเป็นมานรผจญซะแล้วไม่ใช่นายซะหน่อยเดียวเท่านั้นล่ะก็ืึระพินไม่พูดอะไรอีกไปปาบค่อนข้างแรงเข้าไปที่ตะโพของแกบุญคำร้องเตี้ยรีบตะกายขึ้นมายืนทันทีคริสติน่ากับเบนอุทานลั่นอย่างไม่พอใจ ที่เห็นหนาการที่ดูเหมือนดูร้ายหยาบคายของเขาพยับปากจะเล่นงานพรานใหญ่แต่พอเห็นบุญคำยืนทรงกายได้เป็นปกติดีสภาพดูจะแข็งแรงตามเดิมจึงไม่สนใจอะไรอีกระปินชี้หน้าสมุนขวาของเขาบอกมาเป็นภาษากระเรียงเบาๆเช่นกันว่าเอาหัวก็ไปซุกหินอีตอนพายุแรงนะ่ะมันเป็นไรหรอกตะคำ แต่อหูวไุกวางขาแมมเบ้นมันไม่เข้าท่านักหรอกไอวิทยาอาคมที่ร่ำเรียนมามันจะเสื่อมหมดมีเสื่อมรอง่ายไอตอนเกิดมาดูลูกบุญค้ำก็มุดออกมาทั้งเดียววันนี่แหละแกะอุบอิบบอกในขณะที่ทํามันยืนหันหลังให้เบน้นั่นไม่ได้สนใจอะไรนักแต่คริสติน่าในเรื่องเช่นแล้วไม่เคยครั้งใดที่จะผ่านพ้นไปได้ นี่นี่สองคนนี้พูดอะไรที่ฉันฟังไม่รู้เรื่องอีกแล้วนะจะสนใจอะไรเลยคุณรัะพินขมวดคิ้วจุปากปเบาคุณสองคนช่วยปฐมพยาบาลให้ตักคำกันลุกขึ้นมาได้ก็ดีแล้วะอย่ามัวรอช้าอะไรอยู่อีกเลยเราทั้งหมดจะไปที่นั่นอีกครั้งพรเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรดีๆที่ผมเห็นมาก่อนแนละวแล้วก็ยังไม่มีโอกาสบอกพวกคุณได้ทันพอดีมันก็เกิดพายุ ข, ขึ้นมาก่อน ต่าจบเขาก็ยกมือขึ้นสูงดีดแรงๆเป็นสัญญาณและโบกมือไปเบื้องหน้าพร้อมทั้งออกเคลื่อนเดินทันทีแต่คราวนี้ไปอย่างปกติธรรมดาโดยเดินร่วมขบวนมาพร้อมกันทั้งหมดเคลื่อนตามมาทั้งกลุ่มจันกระเซยทําเป็นเข้ามาช่วยประคองบุญคำหวัวรอกันคิดคักคิดคอยู่รงังท้ายจันกระซิบถามว่าไงไงพี่คำ ไอเนินพระจันที่เอาหน้าเข้าไปซุกอยู่ตะเกียรมาหลักกักแขไหนทะลึงเดี๋ยวัดถีบแกต้วาดแวกยกเท้าขึ้นจันเลยเพ่นหนีพ้นรายาะยะตีนแกออกไปสวนเฉยก็ผลักแกหัวสุนไปข้างหน้าเพราะการลูกหลังไว้ก่อนตะเท่าสะบดได้สองคนเบาๆแล้วมองไปทางเกิดซึ่งเดินยิ้มยิ้มอยู่ข้างๆผ่านรีพานขวางจะเวียงพ่านท้ายปืนเข้าใส่ เกิดก็เลยสปริงตัวออกห่างทำอะไรใครไม่ได้แกก็เลยเดินขยกอยู่รังท้ายคนเดียวแล้วตะโกนขึ้นลอยลอยโวยไม่มีใครรอยขา ม, มั่งเลยกระเดี๋ยวลงไปนอนชักดิ้นเปนลมอีกเท่านั้นเลยฝ่ายนายจ้างและลูกหาบส่วนใหญ่ล่วงหน้าไปก่อนแล้เหลือแต่เพียงนายตาบกับหัวหน้าลูกหาบเท่านั้นที่ลดฝีเท้าเข้ามาเดินเคียงคู่กับแก และเดินเป็นเพื่อนไปด้วยแกก็เลยส่งไรเฟิลประจําตัวให้ในายตาบช่วยสะพายเอางเอาไปข้าไม่ไหวแล้วเวลาเกิดอะไรขึ้นเองก็รีบเอาไม่ข่ากันแล้วกันนะพิคำถ้าพี่คำไม่ไหวจริงๆขี่หลังฉันไปก็ได้นะตาบบอกมาอย่างหวังดีไม่ต้องอยากขี่อย่างอื่นไม่ได้ขี่หลังมือไงตา จะขี่อะไรแล้วพี่คำตะเคียงที่พี่คำคิดอยากจะขี่แล้วก็จะขี่กบขี่ควายยังไงอย่างางั้นควายเด้งทีเดียวกบอย่างพี่คำครั้งจะลอยขึ้นฟ้ายิ่งว่าถูกพายุหมุนพัดอีกเจอคนรู้ทันเขาตาคำก็เลยระเบิดเสียงด่าเป็นพลุงานวัดพยายามไล่เตะไล่ทีหัวหน้าลูกหาเป็นพันละวัน แต่นายตาบหัวรอก้ากะกกหลบช้าทันหรือแล่นไปจับกลุ่มอยู่กัะจันเกิดและสือซุบซิบซุบซิบบอกอะไรกันพวกนั้นก็พากันหัวรอครืนเบนกับคริสติน่าที่เดินเป็นหมู่ไปเบื้องหน้าอดไม่ได้ที่จะหันมามองด้านหลังเสียงเบนบ่นมาว่าพวกลูกน้องของรพินยังไงกันนะจะตายกันอยู่หยกๆยกสตาคาก็เดินเยกอยู่น่น ยังเห็นเป็นเรื่องขบขันหัวเราะกันอยู่ได้นี่หยุดสนใจคนแก่เจ้าเล่ย์นสัสตีเหอะเบลว่าแต่เธอตอนนี้เป็นไงมั่งคริสติน่าถามมาเสียงขึ้งขึมรู้สึกว่าจะเริ่มรู้ทันอะไรขึ้นมาบ้างแนละ้วพลังหันมาสารวจอาการของเพื่อนสาวซึ่งหล่อนตระหนักดีว่ายังไม่สมประกอบนะักก็ตกใจตอนเกิดพายุร้ายนะั่น เลยทำให้ฉันมีแรงขึ้นมามั่งละคริสแต่รับรองว่าคงไม่เป็นอะไรมากไปกว่าที่เป็นมาแล้วแล้วก็คงจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วดีเดินทางมรณะเส้นนี้กับคนคนนั้นหล่อนบุ้ยปากไปทางจอมพรานเธอจะทําเป็นคนอ่อนแออยู่ไม่ได้หรอกเบลเธอต้องเข้มแข็งแล้วก็เด็ดเดี่ยวที่สุดจนกว่าจะล้มลงไปแล้วก็ขาดใจตายไปเองถึงตัวเขาก็เหมือนกัน กระดูกสบ้าเพิ่งจะเข้าที่ได้ยกยกเห็นไหมเขาเดินเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ฉันรู้นะว่าเขายังเจ็บมากในวันนี้เขาจะนําเราเดินไปไกลนักไม่ได้หรอกนอกจากจะคลานไปทั้งกลุ่มของสแตนลีย์อันประกอบไปด้วยคีธเชิดบุตรซึ่งเดินเคียงไปกับรพินพยายามที่จะพูดซักถามอะไรแต่รพินก็บอกมาว่า เอาว่าไปเห็นเองดีกว่าครับเดี๋ยวก็ถึงและข้างหน้านงีงชั่วไม่นานต่อมาจอมพรานก็นำคณะทั้งหมดเข้ามาถึงเชิงเนินที่เขาและคริสติน่าเข้าไปหลบพายุอยู่และก้าวนาเข้าไปกล่องขณะนั้นท้องฟ้าเบื้องบนสว่างจ้าแล้วทำให้สามารถมองเห็นอะไรต่ออะไรได้ชัดเจนแสงตะวันใกล้เที่ยงสาดเป็นลำลงมายังหมู่หินหน้าปากทาง รัศมีสว่างของมันกระจายศาสต์เข้าไปถึงคูหาภายในได้คริสติน่าเองบัดนี้ก็ยืนชะงักจ้องมองด้วยอาการพินิษ ท, ทั้งทั้งที่หลอนเข้ามาหลบอยู่กับเขาในระหว่างพายุร้ายกำลังสำแดงริทอยู่เบื้องนอกแต่ขณะนั้นมันมีแต่ความมืดจนหลอนไม่ทันจะสังเกตอะไรได้ทีท้่วนนึกว่าเป็นซอกโพรงหินธรรมดาฮย นี่มันช่องทางเข้าไปสู่อะไรสักอย่างหนึง่งเหมือนเหมือนกับที่เราพบมาแล้วมาหาสุสานในดองเทวันนิวานายคิดอุทานขึ้นระพินยังไม่กล่าวอะไรในขณะนั้นเขาเดินนำลึกเข้าไปในพื้นที่ค่อนข้างเรียบแล้วนำลงบันไดหินที่ทอดลงไปสู่ความต่ำเบื้องล่างโดยบอกให้พวกลูกหาบรออยู่ก่อน กลุมลงหยิบเอาอะไรสิ่งหนึ่งที่ตกอยู่กับพื้นซึ่งตนเองดูเหมือนจะรู้ตำแหน่งแห่งที่ดีอยู่ก่อนแล้วยื่นส่งให้สแตนลีที่ตามหลังมาติดๆอะไรนี่ระพินดูให้ดีสิครับใช้การพิจารณาหน่อยเขาบอกเสียงเรียบๆหัวหน้าคณะก้าวถอยหลังออกมาสู่แสงสว่างที่พอจะกระจายเข้ามาได้ถึง พักพวกเขามารุมล้อมขนาดนั้นเองเบลก็ร้องออกมาดังๆว่าดาบเก่าแก่มันเป็นลักษณะเหมือนดาบของพวกคริสเตียนยุคสงครามครูเสดแต่คงจะย้อนหลังของยุคนั้นลงไปมากอะ่ะสิ่งนั้นเป็นโลหะแกรง่งยาวประมาณหนึ่งเมตรลักษณะกว้างประมาณสมนิ้วปลายแหลม มีรอยตียให้บางทั้งสองข้างเหมือนจะเป็นสองคมก่อนจะถึงด้านถึงซึ่งเป็นโครงเหล็กที่มีลักษณะว่าครั้งหนึง่งอาจจะมีไม้หรือสิ่งอื่นประกบไว้เป็นด้ามจับมีดัางตั้นขวางตั้งฉากกับลำตัวของเจ้าสิ่งนั้นสภาพเหมือนไม้กลางเขนน้ำหนักค่อนจะค่อนข้างมากทีเดียวัตรนี้ สภาพของมันเป็นโลหะสีดำสนิทมีรอยผุกร่อนบางส่วนและความคมทั้งสองด้านของมันสูญหายไปซแล้วด้วยการเวลาที่นับไม่ได้เออใช่ดาบจริงๆนั่นแหละผู้สร้างดาบชนิดนี้แสดงว่ามีศิลปะวัฒนธรรมเจริญมากแล้วในยุคที่ใช้โลหะและลักษณะมันก็เหมือนกระดาบโบราณของพวกคริสเตียนสมัยสงครามครูเสอย่างที่เบนว่าจริงๆแหละ สเตลีครางออกมาต่ำๆและส่งเวียนดูในหมู่พักพวกคนที่รับมาดูเป็นคนล่าสุดคือคริสติน่าหลอนรีตาลงชำเลืองดูหน้าจอมครานมันเป็นลักษณะดาบชนิดเดียวกันกับที่ถืออยู่ในมือของภาพสลักของเจ้าหญิงองค์นั้นนะขณะที่เธอนั่งอยู่บนบันล่างเพียงแต่เล่มนี้นะยาวใหญ่กว่านั้นกว่าเท่านั้น ดาบที่อยู่ในมือของเจ้าหญิงน่าเป็นดาบสั้นอันน่าจะหมายถึงดาบระดับอิสริยยศของมกุฎราชกุมารีแต่ที่เราเห็นอยู่นี่น่าจะเป็นดาบของนายทหารที่ใช้เป็นอาวุธประจำกายก็คงจะไม่ผิดจะครับระพินตอบมาเสียงลึกแล้วเอื้อมมือไปขอรับมาจากมือคริสติน่าพอรับมาเสร็จเขาเดอกขึ้นลงในมือ บัดเดินก็คว้างออกไปกระทบผนังหินตรงหน้าไม่ห่างออกไปนะักเสีงโลหะเนื้อแกลงกระทบหินดังกังวานแหลมเปลืองทุกคนสะดุ้งโดยไม่ตั้งใจนี่คืออาวุธชิ้นแรกที่สมบูรณ์ที่สุดของนครโบราณที่นายจ้างของผมในยุคนั้นค้นพบที่ปากทางเข้าสุสานแห่งนี้และเขาก็ทิ้งให้มันยังอยู่ที่เดิมกับที่ผมหยิบขึ้นมาให้พวกคุณดูนี่แหละ หปีเศษที่ผ่านมามันอยู่ที่ไหนก็ยังอยู่ที่เดิมโดยไม่ได้ขยับขยื่อนรับพินนี่แปลว่าทุกคนร้องขึ้นเป็นเสียงเดียวกันแล้วก็ถูกแทรกขึ้นด้วยคําพูดที่ต่ําลึกของเขาอันกลางวานไปทั้งโครูหาวะ่ะครับถูกต้องครับนี่แหละครับคือสุสานที่นายจ้างของผมสองคนตามที่เคยได้เล่าให้ฟังไว้ก่อนแล้ว ลงมาถูกเลขกนของมันไรกักขังอยู่คนหนึ่งคือพันตรีชัยยันอีกคนหนึ่งคือมาเรียฮอฟมันซึ่งหลงพลัดกับพรรคพวกมาด้วยกันเขาทั้งสองสมซานเข้ามาที่เนินลูกนี้โดยบังเอิญแล้วก็เข้ามาพบกระทางลงเขาทั้งคู่พบดาบเล่มนี้ก่อนแล้วก็เดินลึกลงไปนุ่นจอมพรานชี้มือไปทางต่างระดับอีกชั้นหนึ่ง ไม่ห่างออกไปนักซึ่งบัดนี้แลเห็นเป็นผนังตันกล่าวเสียงเกลียมต่อมานั่นนะครับตรงที่เขาเห็นเป็นผนังตันขณะที่สองคนเดินสำรวจลงมาในยุคนั้นมันยังเป็นช่องทางที่สามารถเดินผ่านลึกลงไปอีกได้เขาทั้งสองเดินผ่านช่องทางนั้นเข้าไประหว่างที่ทั้งคู่เผลอตัวหมวแต่สำรวจสิ่งแปลกประหลาดมหัศจรรย์ที่เขาไม่เคยพบ คือพวกซากมัมมี่ประดับเต็มไปหมดในซอกโพรงของผนังอันเป็นคูหากว้างขวางภายในไอประตูหินที่เราเห็นเป็นผนังอยู่นั่นมันก็เคลื่อนต่ําลงมาปิดทางกั้นเข้าไว้อาการเคลื่อนต่ําลงมาของมันเข้าใจว่าจะเป็นหลักกลศาสตร์โดยใช้พลังถ่ายเทของทรายละเอียดแบบเดียวกับการปิดห้องพีระมิดสองคนได้ยินเสียงประตูเลื่อนต่ําลงมา แต่เขาวิ่งขึ้นมาเพื่อจะหาทางออกไม่ทันประตูได้เคลื่อนลงมาจรดพื้นละพันตรีชยันกมามเรียถูกกลลวงรือ ก, กับดักตักขังอยู่ภายใต้สุสารแห่งนี้ไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงครับบัดนี้ผมได้พาพวกคุณมาพบเข้ากับตำแหน่งสำคัญแห่งหนึ่งที่ผมและคณะนายจ้างคณะก่อนเผชิญกันมาแล้วแต่เป็นส่วนหน้าของมัน คือทางเข้าออกโดยปกติซึ่งประตูกนได้เคลื่อนลงมาปิดและบัดนี้มันก็ยังปิดสนิทอยู่เหมือนเดิมครับสเตลลีคีดเชิร์บุตและคริสกัเบนยืนตะลงึงบุญคำบอกฉันล่วงหน้าแล้วขณะที่ฉันพยายามกวดตามหลังคุณมาก่อนที่พายุจะเล่นงานคณะของเราแต่ฉันยังไม่เข้าใจนักในขณนะนั้นคริสติน่าอุทานออกมา ผมเองก็เพิ่งจะจำมันได้ครับเมื่อเดินเข้ามาใกล้เนินพวกนี้ถ้าเราเดินมาคนละมุมคนละทิศก็อาจจะทําให้มองลักษณะรูปร่างผิดแปกไปทําให้จำคลาดเคลื่อนได้ที่ผมปลัดทิ้งพวกคุณต้องการจะเดินเข้ามาให้ถึงที่นี่โดยเร็วก็เพราะผมสงสัยเป็นอย่างมากว่ามันเป็นเนินเดียวกับที่เคยพบมาก่อนแล้วและได้เข้าไปสํารวจทางเข้าออกที่เจ้านายเก่าของผมเข้าไปติดอยู่ก่อนพบแล้ว แต่ยังไม่ทันได้วิทยุแจ้งไปให้ทราบเท่านั้นเพราะคิดว่าถึงยังไงอีกสักครู่พวกคุณก็ต้องเดินมาถึงเองก็พอดีเกิดพายุหมุนขึ้นมาสะก่อนตอนที่ผมไต่ขึ้นไปบนไหลเ น, น, นินผมกำลังจะหาทางตัดเพื่อข้ามฝากไปยังอีกฝั่งหนึ่งที่เราได้ทำการระเบิดทางเพื่อช่วยพันธีชัยยันและมาเรียออกมาได้ซึ่งตอนนั้นมันก็พอดีเข้ากับการที่ผมถูกลมกระแทก ร, ร่วงลงมาสก่อน นั่นอีกฝากหนึ่งของเนินนี่ก็คือตำแหน่งที่พวกคุณในครั้งนั้นใช้ระเบิดเปิดทางให้สองคนที่ติดอยู่รอดตัวออกมาได้มันไม่ควรจะอยู่ห่างนักน่าจะเป็นจุดใดจุดหนึ่งของเนินลูกนี้นั่นแหละแตลีพูดมาเร็วปรือถูกต้องครับด็อเตอร์สุภาพบุรุษไพรก้มศรีรษะลงนิดหนึ่งตาวาวเป็นประกายอย่างสมหวังประเดี๋ยวเราจะอ้อมเลาะเนินสำรวจไปเรื่อย เพื่ไม่นานก็จะต้องพบกับตำแหน่งช่องทางที่ผมระเบิดให้กว้างออกไปโดยสองคนนั่นรอดออกมาจากป่าชาผีดิบนี้ได้และไอช่องทางที่เรายังไม่ได้กรบไว้ในครั้งนั้นนั่นแหละครับที่ไอพวกผีดิบมันใช้เป็นเส้นทางยกขโยงมันออกมาเล่นงานเราจนเรามองเห็นพวกมันเต็มป่าไปหมดของคืนวันซืนมันจะออกจากสุสานอันมองผืนๆว่าเป็นเนินลูกนี้นี่แหละแล้วก็อาจจะมีสุสานอื่นๆใกล้เคียงอีกด้วย ที่พวกมันสูญหายไปหมดมันก็คงจะเดินกลับเข้ามาซ่อนตัวอยู่ในนี้โดยใช้หนทางนะ่ะเป็นทางเข้าออกแบงอุทานอะไรออกมาคำหนึ่งยกมือรูปคอคิดแยกเขี่ยวรูปมือเข้าหากันเชิดบุตรวางสีหน้าไม่ถูกเรากำลังอยู่ในภาวะตื่นเต้นเต็มที่อีกครั้งวนหัวหน้าคณะยกมือขึ้นทาอามนแล้วว่าระพินทั้งนั้นเราก็มาถึงจุดสาคัญ ต้นแหลงที่มาของบริวารมันไรที่มันใช้เวทมนต์มืดบังคับให้ไอีรากเหล่านั้นมาทำสงครามกับเราแล้วคุณนแม่นยำต่อทิศทางเหลือเกินรพินแม้ว่าจะงงในครั้งแรกก็ตามเอาแล้วจะชาอยู่ทำไมเล่าก็พาพวกเราไปที่ตำแหน่งปากโพรงที่นายเคยระเบิดไปเดี๋ยวนี้เลยสิจะเย็นๆสิคิดถึงยังไงภายในไม่นานนี เราก็ต้องค้นพบแน่ๆแล้วรพินตอบมาอย่างเยือกเย็นกว่าตามองดูแนวเส้นทางเดินบริเวณปากโครงนั้นอย่างรอบคอบระมัดระวังอีกครั้งคุณบอกว่าพวกคุณตามมาพบได้ช่วยเหลือทั้งสองคนนั่นโดยการระเบิดช่องทางออกซึ่งเดิมเป็นซอกรูคแคบแคบเพื่อช่วยให้เขาทั้งสองคนออกมาจากสุสานนรกนี่ได้ เพราทั้งสองคนนั้นออกมาได้แล้วคุณไม่ได้ระเบิดจบเส้นทางด้วยรอกหรอปล่อยทิ้งเป็นโพรงอย่างนั้นเหรอเบนถามขึ้นเสียงแตกคราผมไม่คิดว่าจะผ่านมายังดินแดนแห่งนี้อีกดิแล้วก็มีภาระกิจติดพันมากมายเมื่อช่วยเหลือเจ้านายทั้งสองคนออกมาได้โดยมีเจ้านายอีกพวกหนึ่งรออยู่ข้างนอกร่วมมือช่วยเหลืออยู่ด้วยก็ไม่ได้ระเบิดถิมนซ้ําอ่ะ ไม่ได้ทําให้มันถล่มลงมากลบเส้นทางใะก็ใครจะไปรู้เลย ว, ว่าผมจะต้องหวนับกลับมาที่นี่อีกพวกนายส่วนใหญ่อยู่ข้างนอกใช้ระเบิดเพื่อเปิดปากทางช่วยสองคนข้างในรอดตัวมาได้นายว่าอย่างนั้นใช่ไหมคิดถามอืมถูกต้องก็แล้วระหว่างที่นายยัด ร, ระเบิดเขาเ้าไปในรูอันจํากัดสองคนที่อยู่ข้างในไม่ถูกแรงอาจตายซะก่อนเนอะ ไอ้ข้างในน่ะมันลึกมากคิดก่อนระเบิดเราก็สั่งให้สองคนนั่นนะเขาถอยห่างปากทางเข้าไปให้ไกลที่สุดซะก่อนแล้วก็ใช้แรงระเบิดขนาดพอสมควรที่จะขยายปากทางเท่านั้นก่อนจะทําการระเบิดเราสามารถพู้จาติดต่อกันได้ระหว่างฝ่ายที่อยู่ข้างนอกแล้วก็ฝ่ายที่อยู่ข้างในก็นัดแนะกันเรียบร้อยไว้ก่อนแล้วไงอ่ะถ้างั้นก็อย่าเสียเวลาเลยระพิน มันเป็นโอกาสอันดีที่สุดของเราแล้วเชื่อไอ้พวกผีดิบคงกลับก็ไปซ่อนตัวเก็บอยู่ในใต้เนิน่หมดแล้วละ่ะค้นหาตำแหน่งที่คุณเปิดทางไว้ก่อนดิแล้วระเบิดจบปิดทางมันซะเลยสำหรับด้านนี้คงไม่ต้องห่วงอะไรเพราะผนังหินประตูกลนะ่ะมันลงมาปิดไว้ก่อนแล้วมันคงไม่มีทางออกมาได้สำหรับเนินลูกนี้สเตลลีกล่าวขึ้นอย่างร้อนใจตกลงครับเราจะไปกันเดี๋ยวนี้เลย จอมมัคุเทศรับคำและตะโกนบอกไปยังคนของเขาข้างนอกมุงคามเอาพวกเราเดินอ้อมเนินลูกนี่ไปทางขวามือนะล่วงหน้าไปได้ก่อนเลยฉันจะตามหลังไปเดี๋ยวนี้ละ เ, ออเดินเลี้ยวขวาน้าเดินเจ้านายเขามีคำสั่งมาแล้วว้ย เสียงบุญคำตะโกนสั่งไปยังลูกน้องของแกอีกทีหนึ่งพร้อมกับร้องยี่เกส์ปปะบัดนเจื้อยแจ้วมันเป็นโรงข้ามกับบรรยากาศอันเครียดของคณะในจ้างขนาดนี้ระหว่างที่พากันถอยออกมาจากปากทางเข้าสุสานนั้นอย่างรวดเร็วโดยมีระพินเดินสุบุรีออกมาเป็นคนรังท้ายกลางวันแสงใสทำกลางแสงแดดแผดเปรี่ยงอีกครั้ง และกำลังใจของทุกคนที่มีอยู่อย่างเต็มที่สิ่งแวดล้อมอันล้วนเป็นที่โลภ ก, ก็ไม่มีที่จะต้องหน้าวาดระแวงกริง่งเกรงใดๆอีกแล้วพวกลูกหาบภายใต้การชี้ทางกำหนดให้ของบุญคำเคลื่อนล่วงหน้าไปก่อนแล้วอย่างไม่ชักช้าตัวแกเองยืนเหมือนจะรอฝ่ายนายจ้างที่กําลังเดินไต่ตามแนวทางนั้นมา พร้อมกระร้องเร่งให้ทุกคนทำเวลาเหมือนตัวแกจะเป็นคนนำทางซะเองบัดนี้อาการกระย่องกระแย่งที่ทุกคนเห็นแกลงไปนอนอยู่ในรูแผ่นดินภายใต้าการบังทับของก้อนหินไม่เหลือร่องรอยอะไรให้เห็นเลยแสดงว่าแกไม่เป็นอะไรจริงๆนั่นแหละระพินซะอีกซึ่งถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นได้ว่าขาขวาของเขายังมีอาการลากอยู่นิดนิด ขณะนั้นคริสติน่าซึ่งเดินผ่านหน้าแกมาเป็นคนที่สองถัดจากสแตนลีก็คว้าที่ชายผ้าขาม้าเขียนพุงของแกดึงให้ตาเท่าเดินตามมาด้วยไปหล่อนบอกสีหน้าเรียบเรียกซ่อนรอยยิ้มไว้ไม่ต้องมายืนโบกมือเป็นทหารสั่งลูกแถวอยู่นั่นหรอกบุญคำเดินไปกระชั้นเดี๋ยวจะหาว่าทอดทิ้งอีกแรงของหล่อนที่ฉุดมา ทำให้บุญคำแทบเสียหลักด้วยกําลังแขนแข็งแรงของแม่ผมทองทำให้แกต้องเดินตามเคียงคู่ติดมือคริสติน่าไปด้วยแม้จะไม่เต็มใจนักก็ตามฮึมตอนไม่มีอะไรแม่มก็ไม่ทิ้งบุญคำหรอกแต่ลงถ้าเกิดเรื่องร้ายกันสิพรานจะทิ้งบุญคาอีกก็ยังไม่วายกระฟัดกระเฟียดตัดพอนี่บุญคำ ไอระหว่างบุญธรรมกับฉันนะ่ะใครมีหน้าที่จะต้องคุ้มกันใครกันแน่คราวนี้ตาเท่าเจ้าเล่ยยิ้มจิตจืดเสียงอ่อยลงถึงบุญธรรมจะมีหน้าที่ระวังดูแลแม่มคริสหรือนายจ้างทุกคนก็จริงนะแต่มันก็ต้องพลัดกันช่วยมางี้พวกเราหรือพวกนายจ้างถ้าเกิดเรื่องร้ายก็ต้องถอยทีถอยอาศัยกัน ฝ่ายไหนพา้าอีกฝ่ายก็ต้องช่วยไอจะคอยแต่หวังให้ฝ่ายลูกจ้างช่วยตลอดเวลาพอเห็นถ้าไม่ดีก็เอาตัวรอดท่าเดียวทิ้งลูกจ้างไว้มันก็ไม่ถูกนะใช่สิบุญคําเราต้องช่วยซึ่งกันและกันไงแล้วก็เมื่อครู่ใหญ่นี่ฉันก็ไม่ได้ทิ้งบุญคำหรอกนี่ต่ว่าอยู่นั่นแหละอย่าทำใม้ใจน้อยไปหน่อยเลยนะ ฉันรู้ว่าบุญคำน่ะไม่เป็นอะไรสักนิดในตอนนั้นอะ่ะฉันกับเจ้านายของบุญคำสองคนต่างหากแล่วที่เสี่ยงกว่าบุญคำมากนะักตอนเกิดพายุขอบใจบุญคำมากนะขอบใจขอบใจบุญคำเรื่องอะไรแกถานหน้าตาตื่นมะอา้าก็ขอบใจในข้อที่ว่าบุญคำน่ะไม่ปิดชั้นตอนที่เราเดินตามหลังระพินมาด้วยกันก่อนเกิดพายุ ช่วยบอกให้ฉันรู้ล่วงหน้าไงว่าเนินลูกนี้มันเป็นเนินลูกที่นายจ้างคณะเก่าเข้ามาติดขังอยู่และราพินจำได้รีมุ่งหน้ามาก่อนทั้งทั้ที่เขาไม่ให้บอกอะไรเราเลยเพิ่งจะมาบอกก็เดี๋ยวนี้เองบุญคำอ้าปากหัวรอแบบไม่มีเสียงและเอามือตบปากตัวเองพูดเบาๆว่าอไอ้คามันค้นปากบอน แหม่ก็รู้อยู่แล้วอ่ะถึงได้หลอกถามอยู่เรื่อยๆฮึ่มไม่ใช่มือไม่ใช่ปากบอนอย่างเดียวหรอกมื อ, อยังบอนด้วยมารยาสาไถก็แค่นะั้นหล่อนกระซิบข้างหูอย่างเท่าทันเกลียดจริงอ่ะพะพาคนรู้ทันนี่ต่เท่าอุบอิบในลำคอและปัดมือคริสติน่าซึ่งยังกำชายผ้าเขาม้าเกียนฟุงในระดับต่ำกว่าเอวของแกออกไป บอกมาหน้าขรึมว่าปล่อยสทีดิมือแมนอะไม่ต้องมาจับจูงใช้พกบุญคำอยู่อย่างนี้หรอกมือแมนน่ะเร็วเหลือเกินขวาผิดขวาถูกเดี๋ยวให้คำวันหน้าเขียวเ่านั้นแหละคณะทั้งหมดเดินกันอย่างไม่จำเป็นต้องมีระเบียบอะไรนักตามสภาพของภูมิประเทศริมเนินประหลาดลูกนั้นเลาะลักหมู่หินและมวลวัชพืชเล็ก ที่งอกแซนอยู่อ้อมเชิงเนินอันกว้างใหญ่ไปเรื่อยๆไม่เกินครึ่งชั่วโมงต่อมาด่างก็มาอยู่อีกฝั่งหนึ่งของเนินคนละทิศกับที่โผล่กันออกมาจากแนวป่าทึบก่อนเกิดพายุแล้วก็มาหยุดยืนรายล้อมกันอยู่ตรงปัตตแหน่งปากโพรงหินแห่งหนึ่งซึ่งเห็นชัดว่ามันถูกระเบิดเป็นช่องโว่มีปากทางขยายกว้างออกไปในรูปเบี้ยวๆประมาณสเมตร แล้วสูงแค่ไม่เกินสองเมตรครึง่งภายในเป็นรูดำมืดลงไปขนาดที่ร่างกายคนตัวสูงสูงจะค่อมตัวมุดเข้าออกได้ในสภาพเรียงสองนิเศษของหินใหญ่ๆแวดล้อมบริเวณนั้นถล่มทลายกลิ้งอยู่รอบๆลักษณะของช่องทางนั้นฝ่ายเจ้านายทุกคนมองเห็นชัดว่ามันเกิดขึ้นเพราะอำนาจดินระเบิดไม่ต้องบอกอะไรซ้าเลย ทุกคนมองเห็นก็อุทานแซดในลำคอและเข้าใจได้ดีโดยตลอดจากคำบอกเล่าของระพินที่ให้ไว้ก่อนแล้วระหว่างที่ทุกคนยังมองดูช่องทางที่ถูกเปิดกว้างออกด้วยริดระเบิดนั้นพลานใหญ่ก็ใช้ปลายไรยเฟิลชี้ลงไปบนพื้นอันเป็นเส้นทางเข้าออกนั้นซึ่งเริ่มจะมีพงพืชเล็กๆทำท่าจะงอกขึ้นมาปกคลุม ถ้าว่าบัตรนี้มันมีรอยถูกอะไรเหยียบย่ำไว้เป็นเส้นทางเดินเหมือนจะมีอะไรผ่านเข้าออกอยู่เป็นประจำน่ะเห็นไหมครับรอยเข้าออกของมันเป็นเพือกทีเดียวสเตลลียิ้มในลักษณะเสะแสร่ลูกปลายคางอันครึ้มไปด้วยคราวที่ไม่ถูกมีดโกนมานานอืม้มชัดเจนทีเดียวระพินไม่มีอะไรต้องเคลือบแคลงสงสัยอีกละ ไอพวกผีดิบมันเดินเข้าเดินออกยกคนกันเข้ามาจากช่องทางที่คุณเคยระเบิดไว้นี่แหละที่คุณกําหนดคะเนนไว้นะ่ะมันถูกต้องหมดทุกอย่างเลยนี่แล้วครั้งนั้นหลังจากระเบิดช่วยคนสองคนออกมาได้นายทดลองมุดทางเข้าไปสำรวจข้างในหรือเปล่าคะคิดถามะจอมพรานสั่นหัวสี่เวลาวะคิดสองคนนั่นเขาบอกเล่าไอ้ฟังหมดลว จนฝ่ายเราข้างนอกที่ตามมาช่วยได้ภายหลังน่ะมองเห็นภาพได้ชัดเจนแล้วก็ไม่จำเป็นต้องลงไปชูตรวจซ้ำอะไรอีกมันโง่อะมันก็คือสุสานขนาดใหญ่ของพวกมียศถาบรรดาศักดิ์กับประเภทแม่ทัพนายกองบุคคลสำคัญของนครแห่งนี้ที่เวลาตายก็นำเข้ามาเก็บไว้นั่นแหละสภาพศพก็แห้งแข็งเป็นหินในสภาพอาบยาบางซ่า ก, ก็มีหินงอกหินย้อยโผล่มา เชื่อมติดซากเกือบจะกลืนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของผนังหินไปแล้วทุกซากนะไม่ได้บรรจุอยู่ในอะไรทั้งนั้นน่ะจะนำเข้าไปตั้งวางอยู่ในช่องหินเฉยๆลักษณะก็นั่งบ้างยืนบ้างเต็มไปหมดพวกนี้มีกรรมวิธีในการอาบยาศพได้ดีกว่ามัมมี่ของอียิปตส์สิแต่งเครื่องประดับตามสถานะของผู้ตายในขณะเสียชีวิตมีอาวุธอะไรก็วางทิ้งไว้ข้างๆศพ ตัวสบไม่ต้องมีการพันหุ้มหอ่อใดๆทั้งสิ้นมันก็เหมือนเหมือนกับสภาพของไอ้พวกผีดิบที่ยกพวกออกมาอารวาดให้เราได้พบหินมาแล้วนั่นแหละถึงเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันมันไร้ประโยชน์ที่พวกเราจะเสี่ยงมุดช่องทางเข้าไปสำรวจอีกให้มันเสียเวลาเปล่าหรือว่าใครอยากจะทดลองลงไปดูก็เชิญนะแต่ผมไม่ลงหรอกจะรอคอยอยู่ข้างนอกนี่แหละเอานายไม่ลงซะคนเดียวใครจะกล้าลงไปวะ แลเราก็เห็นด้วยว่าจะลงไปตรวจ ด, ดูหาอะไรมันเปลืองเวลาเปล่าคิดว่าแล้วหันมาทางเชิดบุตรทันทีหารือกันเบาๆอย่างเร่งด่วนในการที่จะวาระเบิดจุดใดยังไงบ้างเพื่อ ห, หินส่วนบนถล่มลงมากลบปิดทางสักแล้วพินปล่อยหน้าที่นี้ให้ระบุคคลทั้งสองตัวเขาเองสเตลลีคริสและอิซเบลกันพวกลูกหาให้ถอยห่างออกมาเล็กน้อยก่อน แล้วก็สั่งให้นั่งพักชั่วคราวไม่เกินห -6 นาทีต่อมาทั้งคิดและเชิดวุฒิก็มองเห็นจุดต่างๆที่ควรจะอัดระเบิดเข้าไปตามเพดานด้านบนของโรงหินที่ถูกระเบิดไว้ก่อนแล้วและโดยการช่วยเหลือของพรานพื้นเมืองของระพินอันทําหน้าที่ปีนป่ายเข้าไปอัดดินระเบิดตามคําสั่งของคิดอย่างจุดต่างๆพร้อมทั้งใสเชื้อปะทุพร้อมเสร็จ คนชุดนั้นก็เดินตรงเข้ามาเอาละทุกคนถอยห่างออกไปได้แล้วอ้อมลบออกไปให้พ้นปากทางแล้วก็อย่าอยู่ใกล้ๆก้อนหินที่มันอาจจะสะเทือนหล่นลงมาทับได้ขอแนะนำให้ออกไปอยู่พน้นตีเนินนี่สักห้าสิบหลาเดี๋ยวฉันกะวุธจะจัดการทั้งนี้เองพันเอกแห่งย s เอสอามีผู้ชำนาญการในด้านวิศวกรรมร้องตะโกนบอกมา ระพินก็สั่งคนทั้งหมดของเขาในทันทีทุกคนเคลื่อนย้ายหลบมุมออกไปอีกด้านหนึง่งและถอยไปตั้งหลักกลางทุ่งห่างบริเวณหินเชิงเนินพอสมควรมีชามีนานคิดเชิดวุฒิเกิดและเซยผู้เป็นลูกมือก็เดินเข้ามาสมทบนี่ไม่ใช่ทลายเนินนี่ลงทั้งลูกให้ราบลงมากัะดินนะเพียงแต่ให้หินมันพังลงมากรบปากทางไว้เท่านั้นนะ หัวหน้าคณะพูดขึ้นสหายหรื อ, อีกนายหนึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาปัดมือไปมาเฮ้ยนะารับรองเชื่อมือเหอะช่องทางเข้าออกมันจะถูกปิดตลอดไปชั่วนิรันดร์การจนกว่าใครจะมาระเบิดซ้ำหรือจะอรถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่มาโกยหินออกมันง่ายกว่าระเบิดต้นไซใหญ่ต้นนั้นซะอีกอ้าทุกคนพร้อมยัง ประโยคหลังหันมาถามระพินระพินหันมานับจำนวนคนของเขาอีกครั้งเห็นว่าอยู่ครบรวมพร้อมกันพร้อมหน้าก็บอกมาว่าโอเคคิดระเบิดได้เลยอย่างง่ายๆไม่มีพิธีรีตองผิดกับการระเบิดต้นทรายหรือระเบิดทลายมหาสุสานของกรรษัตริย์มาฮิติเดชะในคิดทำมือเป็นสัญญาณให้ทุกคนนั่งราบลงกับพื้น ตนเองเท่านั้นที่ยังยืนอยู่แล้วชูวิทยุในมือขึ้นกดขีพิเศษม่านควันบริเวณนั้นตลบลอยคลุ้งมัวมนไปหมดแรงระเบิดไม่ถึงกระทําให้ใครต้องขยักขยอดหรือรู้สึกอะไรทั้งสิน้นสัมผัสได้เพียงแค่แผ่นดินที่นั่งกันอยู่กระเทือนบ้างเล็กน้อยเท่านั้นฮเอมกันที สำหรับไอ้พวกผีดิบเฉพาะที่อยู่ใต้เนินลูกนี้มันจะใช้เส้นทางนี้เป็นทางลำเลียงพลออกมาไม่ได้อีกแล้วละ่ะคิดว่าบนหัวเราะนี่หวังว่าคงกรบสนิทจริงๆนาะไม่ใช่เหลือช่องทางให้มันเล็ดรอดออกมาได้อีกละ่ะเบนเตือนมาคิดจริ้มอย่างมั่นใจฮึเฉพาะช่องทางที่วางระเบิดไว้นะ่ะยังไม่มีทางเข้าออกได้เลย แต่ถ้ามีรู้ที่ช่องทางอื่นๆอยู่อีกเนี่ยฉันไม่รับรองนะนั่นนะมันเรื่องของระพินที่ไม่ดูให้ตลอดซะก่อนถ้ามันมีทางเดียวก็แปลว่ากรบชนิดแล้วละร้อยฝึงนจางกว่านี้สักหน่อยเข้าไปตรวจดูใหม่เอาเป็นว่าถ้ากกรบไม่มิดโดยยังเหลือแม้แต่ช่องทางเท่ารูเข็มฉันยอมให้ตดัดคอ